พระธรรมเทศนาแผ่นที่94าลำดับที่7โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านนาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่4กันยายน 2,559 มีชื่อเรื่องว่าอย่าอิจฉาเขาถ้าบุญเรายังไม่ถึงวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สี่ กันยายนพุทธศักราช 2,559 วันนี้รู้สึกว่าฟ้าฝนห่างหายไปหลายวันฝนไม่ตกแต่เมื่อวาเมื่อวานนะ่ชนีร้องนะลูกหลานนะชนีร้องไม่รู้ว่าร้องฝนจะตกหรือว่าฝนจะแรงแต่ร้องยาวนานพอสมควรแต่มาวันนี้ก็มีแต่มืดครึมฝนไม่ตก ปีนี้รู้สึกว่าฝนตกอยู่แต่ไม่ได้น้ำํำในเนื้อพูดอย่างนั้นได้ฝนตกแต่ไม่แรงมีแต่ตกปล่อยๆแต่ก็ได้ทําไร่ทํานาทํารั้วทําสวนไม่ขัดข้องแต่จะให้น้ําไหลหลากเหมือนปีนก่อนๆเมื่อ4ีหปีให้หลังรู้สึกว่าไม่ค่อยมีปีนี้มี น้ำครึ่งฝั่งห้วยลางของเราลำล า, ลลางของเราเพียงปีดครั้งเดียวเท่านั้นแหละจากนั้นก็กระปิดกระปลอยแต่จะถึงกับแรงไหมก็ไม่ถึงกับแรงแต่ที่ยังไงก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะน่าเป็นห่วงน้ําใต้ดินพวกเราที่ใช้น้ําบาดาลที่น้ําใต้ดิน มันก็คงจะเลือกลงไปเรื่อยๆเหมือนกันนะหลวงพ่อว่านะเพราะข้างบนไม่เติมลงไปอันนี้ะดินฟ้าอากาศธรรมชาติลูกหลานแต่ที่ยังไงก็ตามลูกหลานทุกคนศรัทธาญาติโยมทุกคนที่ได้มาเกิดในพื้นแผ่นดินไทยได้เกิดมาได้พบพระพุทธศาสนามันเป็นบุญกุศลเก่าแก่ดึกดำบันนะคณะศรัทธาญาติโยม อย่างพระพุทธเจ้าของพวกเราก็เหมือนกัน ท, ที่ท่านได้ไดตรัสสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้เป็นพระพุทธเจ้าที่พวกเราได้กราบได้ไหวมาทั้ง2 5งพันห้ารอยหเปีเป็นคนเหมือนกันแต่พวกเราทําไมจึงยอมรับน้อมรับถึงขนาดนั้นทุกหัวละแห่งของโลกที่ได้รับพระธรรมคําสอนขององค์ท่าน ก็เพราะาบุญบา ร, รมีของท่านได้สั่งสมบุญบา ร, รมีมามากมายมหาศาลมิใช่ว่าท่านเกิดมาชาตินี้ชาติเดียวแล้วก็ได้เป็นพระพุทธเจ้าไม่มีไม่มีอดีตไม่มีอดีตไม่มีผลบุญกุศลในหลักของพุทธศาสนาไม่ใช่ต้องมีที่มาที่ไปนี้ก็เหมือนกันพวกเราท่านทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี่ แต่ทำไมคนนั้นเป็นเศรษฐีได้ทำไมันรวยได้ทำไมเกิดเป็นคนทำไมคนได้ทำมันจนทำไมจนได้ทำไมจึงจนมันมีนที่มาที่ไปทั้งหมดเพราะนั้นพวกเราได้ศึกษาในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วอย่าไปคิดอิจฉาอย่าไปอิคิดอิจฉาคนอื่นเขาที่เขารวยกว่าเพราะเขาได้ทำบุญได้สร้างบุญสร้างกุศลมามีแต่ให้มองตนเองว่า ทำไมข้าพเจ้าจึงไม่รวยอข้าพเจ้าจึงตัวดําทําไมข้าพเจ้าจึงตัวขาวข้าพเจ้าทําไมจึงสูงข้าพเจ้าทําไมจึงเตี้ยอข้าพเจ้าจึงไม่รวยเหมือนกับเขาเขาทําไมจึงรวยกว่าเรามันล้วนแล้วแต่เป็นอดีตกรรมทั้งนั้นอดีตกรรมส่งผลนะลูกหลานนะออดีตกรรมคืออดีตชาติก่อนๆนั่นแหะ พระพุทธเจ้าท่านสั่งสมบารมีมาบางทีบางชาติท่านก็กรรมให้ผลก็ตกต่ําบางทีกรรมให้ผลก็สง่งสูงส่สงนะไม่ใช่สูสงส่งไปเรื่อยๆไม่ใช่นะแต่ว่ากรรมอคุกุศลกรรมคือบาปให้ผลชาตินั้นก็ตกต่ําแต่ชาติไห น, นบุญกุศลสง่ง อ, อดีตชาติได้ทําบุญไว้บุญก็ส่งขึ้นไป เป็นคนได้รับแปลว่าโชคดีหมดทุกอย่างแต่พอโชคดีหมดทุกอย่างลืมตัวที น, นี้พอเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาร่ำรวยมั่งมีสีสุขของอันไหนที่เป็นอภ ป, ปมงคลคนทั้งสุรานารีภาชีกีฬาบัตรอะไรของที่หวยหว ย, หวยเลวๆทั้งหลายทาหมดเพอเพอจ้างฆ่าคนอื่นอีกต่างหากเพราะตัวเองมีเงินจ้างทําความชั่วอย่างอื่นอีกมากมายเพราะตัวมีเองมีเงิน เพราะความลืมตัวจุดนั้นแหละแต่นี่ก็ดิ่งเหว่แล้วแต่ไห น, นพบหน้าชาติหน้าก็ลงอีกแต่ไห น, นลงก้นเหวอีกแต่ไห น, นตกนรกหมกไหม้ไปเกิดเป็นสัตว์ที่ไรฉันกว่าจะฟื้นตัวขึ้นมาได้ตั้งตัวขึ้นมาได้อีกนี่แหละนี่คือหลักธรรมคาสอนของพุทธะเพราะฉะนั้นให้พวกเราการมองกันถึงจะอิจฉาในใจเราก็ต้องมองอดีตด้วยว่ากรรมของเขาผู้กระทามานั้นนะ่ะมันไม่เหมือนกัน พราะพุทธเจ้าทำไมจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่พราะเทวทัตท่านมองแต่ในปัจจุบันนะท่านมองในปัจจุบันทะเองท่านไม่มีญานรัตนะว่าพระพุทธเจ้าทําไมจึงคนนับถือเลื่อมใสมั่งมีสีสุขไปนะัดเดือสถานที่ใดมีแต่คนยกย่องเชิดชูบูชาแต่ทําไมข้าพ เ, เจ้าก็เป็นลูกกษัตริย์เหมือนกันแต่ทําไมคนจึงไม่นับถือนับถือข้า เ, เทวทัตเขาก็มุ่งอย่างนั้นแต่ตามไม่จริง ที่พระพุทธเจ้าที่เขานับถือเลื่อมใสพระพุทธเจ้าพ่อพระพุทธเจ้าได้บำเพ็ญคุณงามความดีมาตั้งสี่อสงไขยกำไรแสนมหากัปตั้งความปรารถนาว่าขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตเกิดมาพบใครชาติใดถึงจะทําบุญเล็กทําบุญน้อยรักษาศีลภาวนาดูแลปณิบัติพ่อแม่อยู่ในสถานที่ใดขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นพระโพธิญาณ ได้สำเร็จพระโพธิญาณได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตคือในใจของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านดิ่งดิ่งอยู่อย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นท่านเมื่อได้บำเพ็ญมาถึงจุดนี้น่ท่านได้เป็นพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณจากนั้นใครจะไปลางแกว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงได้เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าท่านสั่งสมบุญกุศลมาแล้วในอดีตในอดีตชาติ นี้ก็เหมือนกันพวกเราท่านทั้งหลายมาเห็นแต่ในปัจจุบันคนนั่นาจะเป็นคนนี้คนนี่นาจะเป็นอย่างนั้น เ, เราก็พูดได้อิจฉาได้แต่ว่าบุพกรรมของแต่ละคนนั้นมันมาไม่เหมือนกันบุปกรรมไม่เหมือนกันทำไมภาษาบุตรจึงได้เป็นอักษรสาวกทำไมพระโมกขลาจึงได้เป็นอักษรสกขาสาวกเบื้องอซ้าย ทำไมพระอานนท์จึงได้เป็นพุทธอุปถากทำไม อ, อนาถามิติกาเศรษฐีจึงได้เป็นอุปถากฝ่ายฝ่ายครวัตผู้ชายทำไมนางวิสาขาจึงได้เป็นอุปถากพระพุทธเจ้าฝ่ายผู้หญิงล้วนแล้วแต่มีความเป็นมาเป็นไปทั้งหมดคือความตั้งคือการตั้งความปรารถนาของแต่ละพระสาวกไม่เหมือนกันเพราะนั้นเกิดมาไม่เหมือนกันแต่สมัยนั้น พอพระพุทธเจ้าตั้งอัครสาวกหมกครากับภาษาลิบุตรพระสงฆ์สังหลายก็ฮือหากันว่าพระพุทธเจ้าเห็นแก่หน่าทําไม พ, พระัญญาโกณทัญญะปปะปัติยะมหานามอัจฉิเป็นบรมปฐมเป็นองค์แรกที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าที่ได้บรรลุพระอราหันต์ปัญจวัคคีทั้งห้าทำไมไม่ตั้ง พระปัญจวัคคีย์ท่าอ้าเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาทําไมไปหาตั้งลูกเศรษฐีกรุงราชคฤห์ออที่เป็นคนหนุ่มขึ้นมาเป็นอัครสาวกของตนเองสแสดงว่าเห็นแก่หน้านคนสมัยนั้นก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนะความอิจฉานี่น ะ, ะจากนั้นพระองค์บอกว่าไม่ใช่สงทั้งหลายคือสงทั้งหลายมันพระทั้งหลายเห็นแต่ปัจจุบันอเอาเหตุผลในปัจจุบัน มาพูดกันแต่พระุองค์เอาอดีตามาพูดกันพระพุทองค์บอกว่าเราไม่ได้ตั้งให้ด้วยความ อ, าอิจฉาเรืยว่าความเห็นแก่หน้าเราได้มองดูแล้วลนี่แหละสารีบุตร เ, เขาตั้งความปรารถนาในศาสนาของพระพุทธเจ้านู่นได้รับพยากรมาแล้วสมัยนั่นสารีบุตรได้เป็นเศรษฐี เ, เป็น ลือศีอยู่ในป่ามีบริวารต่างมากมายจากนั้นท่านก็ได้เห็นพระพุทธเจ้าไปโปรดพอไปโปรดในป่าเป็นลือีอยู่ท่านลือศีนี่ก็บําเพ็ญถวายทานทั้งเจวันกับพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระหันตสาวกเสร็จแล้วท่านท่านก็มีพระสาวกที่ติดตามพระพุทธเจ้าไปคื อ, อ, อพระอัครสาวกพระพุทธองค์ก็รู้แล้ววัน ลือสีท่านนี้เนะี่ยคือความปรารถนาเขาคงจะได้เป็นเป็นพระสาว ก, วกในอดีตใ น, ในอนาคตการพราะเขามีความมุ่งหวังแต่เขาไม่กล้าพูดในจิตใจอแต่ว่าในใจของเขานขอให้ข้าพเจ้าเป็นอัครศกสาวกของพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตตอนนี้พระพุทธเจ้าท่านไปรับฉันอยู่ทั้งเจ็ดวันอยู่ในป่าหิ ม, มาพาน ฤาษีทั้งหลายเป็นหมื่นองค์นําผลละหมากลากไม้ถวายพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระสงฆ์จากนั้นพร ะ, พ, ร ะ, ระพุทธรองเขาว่าเห็นว่าเนี่ยหัวหน้าใหญ่ของฤาษีเนี่ยจะได้เป็นอั克拉สาวกของพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตเพราะเขามีความปรารถนาลึกๆมาอยู่โดยตลอดแต่เขายังไม่ได้รับพยากรณแต่วันนี้เราจะให้จะได้พยากรณ์เขาเพื่อความแน่นอน จากนั้นพระองค์ก็บอกว่าดูก่อนลือีทั้งหลายบรรดาสาวกของเราเนี่ยนี่องค์นี้แหละที่นั่งทางขวาของเราเนี่ยเป็นอัครสาวกเบื้องขวาของเราเป็นผู้เลิศกว่าพิษุทั้งหลายที่เป็นอัครสาวกของเราแต่นี่ลือสีเท่านั้นก็มีความปาถนาอยู่ในใจลึกๆอยู่แล้วน ะ, ะคือกางปาถนาในใจแต่ไม่ยังไม่ออกออยางมันนั่นมันจะอยู่ได้ลึกหนูหัวใจ พอเห็นเท่านั้นก็ทราบชาบในใจซาในใจโธ่ข้าพระพุทธเจ้านี่แหละต้องการเป็นอัครสาวก ข, ของพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตจากนั้นก็เข้าความมามากราบพระพุทธเจ้าเพราะว่าข้าพทธองค์ขอปรารถนาเป็นอัครสาวกองค์หนึ่งในอนาคตพระธองค์บอกว่าดูก่อนพระสงฆ์ทั้งหลายาดูก่อนพุทธบริษัททั้งหลายลือศีทั้งหลายนี่แหละ ฤๅษีใหญ่ที่เป็นหัวหน้าเนี่ยต่อไปในอนาคตจะได้เป็นอัคราสาวกของพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตพระพุทธเจ้าองค์นั้นคือพระเจ้าพระโคตมะพระโคตมะโคดพระโคดมพุทธเจ้าในในกลับนั้นท่านจะมีชื่อว่าสาลิบุตรหรือว่าพระอะไรชื่อจริงๆของท่าน แต่ว่าคนทั้งหลายกคยซื้อหัวพระอัครส า, าวกสารีบุตรจะได้เป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตเป็นสาวกข้างขวาของพระพุทธเจ้าโคตมะพระโครมพุทธญาติพรพุทธเจ้าจะมีพ่อชื่อพระเจ้าชุตโทธทนะนางแม่ของพระพุทธเจ้าสิริมหามายาพระพุทธเจ้านนั้นก็บรรยายหมดคืออัครส า, าวก ข้างซ้ายวาขวางขวาพระพุทธอุปถาพระอานนทนะ์ท่านก็เลี้ยงให้ฟังพระฤาษีทั้งหลายก็ซาตุอิ่มอกอิ่มใจจากนั้นพระองค์ก็จะเด็จกลับวัดออพอจะเด็จกลับวัดที่นี่ฤาษีที่เอ๊ะเราควรจะไปหาเพื่อนของเราเพื่อนของเราเป็นฤาษีอยู่ในเมือง เ, ออเป็นเศรษฐีอยู่ในเมืองเศรษฐีใหญ่อยู่ในเมือง เ, ออเราควรจะไปพูดเขาจะเอาไหม เป็นอัครสาวกข้างซ้ายไหมเราเป็นสาข้างขวาแล้วเนี่ยของพระพุทธเจ้าได้รับพยากรณ์แล้วเนี่ยแต่เนี่ยถือสีอยู่ในป่าเนี่ยออกไปหาเพื่อนที่เป็นเศรษฐีอยู่ในเมืองบอกว่าท่านเศรษฐีเป็นเพื่อนกันเพื่อนสนิทรักกันมากลเลยท่านจะเป็นปรารถนาเป็นอัครสาวกข้างซ้ายของพระพุทธเจ้าไหมผมได้รับเอธได้รับพยากรแล้วนะ สร้างเศรษฐีเนีพอได้ยินเท่านั้นคือท่านเศรษฐีเนี่คือปรารถนาเป็นอั克拉สาวกอยู่แล้วในในใจแต่นี่พอมาสกิดเท่านั้นเลยทนี้โอ้โหมันทราบทราบในใจอีกเหมือนกันได้ครับแล้วจะให้ผมทำไงเออเอาจัดปร์ขึ้นมาพอจัดป ร, รำขึ้นมาก็เหมือนกั บ, กบเรากลางเต็นต์ลักษณะ น, น, นี้แหละพอจัดปรํรำขึ้นมาแล้วก็นิ ม, มนต์ไปนิ ม, มนต์พระพุธทธเจ้าพร้อมกับพระสงฆ์มาฉันถึงเจ็ดวัน ในบ้านในฤาษีพอเสร็จแล้วฉันบัดละก็กลับมาฉันพอวันที่เจ็ด เ, เศรษฐีจะเนี่กับข้าพระเจ้าทําบุญมามากมายขอให้ข้าพระพุทธเจ้าได้เป็นอัครสาวกของพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอ่ออานอนาคตพระพุทธเจ้าว่าดูก่อนสงฆ์ทั้งหลายพุทธบริษัททั้งหลายฤาษีท่านนี้นะ่ยจะได้เป็นอัครสาวกของพระพุทธเจ้าชื่อว่าโคตมะ ลือศีเนี่ยจะได้เป็นอ克拉สาวกข้างขวาเศธีเนี่ยจะได้เป็นอ克拉สาวกข้างซ้ายของพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งชื่อว่าโคต ม, มะโคตมะโคตพระโคถมพุทธเจ้าในอนาคตเนี่ยอันนี้ก็คือความปรารถนาแต่ดันได้รับพยากรแปลว่าพยากรณเป็นวันแน่นอนหนึ่งไม่มีสองได้รับพยากรจากพระพุทธเจ้าจากนั้นก็ บ, บําเพ็ญมาเรื่อยๆเลย มาเกิดมาพบในชาติใดกับมกุลเวียนคือในกลุ่มเดียวกันนะ่ะกลุ่มพระพุทธเจา้ากลุ่มพระสาวกกลุ่มพระอนอนท์กลุ่ม เ, เป็นสาวกเนะี่ยค่อยๆเกิดมากลุ่มไหนก็เป็นกลุ่มของพระองค์เองเอใน ถ, ถ้าเราดูในชาติของพระพุทธเจา้าพอพระพุทธเจ้าได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินนี่แหละพระสาวกบุตรก็ได้เป็น เ, เป็นอุปราชและเป็นโโลหิตโโลหิตตายจานบ้าง เป็นเสนาเป็นอมัมมัดผู้ทรงคุณวุฒิวังพระอนนท์ก็เป็นผู้ดูแลเป็นขุนคลังบัง่งลักษณะอย่นกันให้แค่ว่าเกิดมาในในภพใรชาติใดาก็เป็นกลุ่มเดียวกันนี่คือความเป็นมาของพุทธะถ้าเราได้ศึกษาในพระไตรปิฎกศึกษาในหลักธรรมคำสอนของพุทธะแล้วนะเราจะตาหนิกันไม่ได้เพราะว่าใครความปรารถนาของคนนะ่ะไม่เหมือนกันนะ นั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะการที่จะคิดเบียดเบียนอิจฉากัน เ, เราต้องคิดดูให้ดีว่ามีที่ไปที่มาไม่ไม่ใช่ว่าเกิดมาพวพนี้ชาตินี้ชาติเดียวแล้วก็จะเป็นใหญ่พะโลผล า, าจะคนนับถือเลื่อมใสามากมายอย่างองค์หลวงตามหาบัว อ, อย่างหลวงปู่มั่นอย่างนี้เป็นต้น เ, เพราะเหไรคงท่านก็คงยะมีความปราถนาในใจของท่านาแนวหนึ่งอีกเหมือนกัน ท่านจึงได้มาเกิดมาพบนี้ชาตินี้ท่านจึงได้เป็นครูบาอาจารย์เพราะนั้นอย่างพระเทวทัตท่านทําไมจึงเป็นอย่างนั้นก็บอกพระเทวท่านเกิดมาแต่ท่านอิจฉาเนีเกิดมาเท่าไหร่อิจฉาแต่คนอื่นก็เลยมาเป็นลักษณะอย่างนั้นนะคนเราเกิดมาจึงไม่เหมือนกันกรรมเป็นผู้จําแนกให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเกิดมาไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นให้พวกเรา อยู่นสถานที่ได้เกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาอย่างนี้ละ่ะที่พวกเรามามาสู่วัดวาศาสนานให้ตั้งตั้งให้ตั้งจิตตั้งใจเกิดมาพบไรชาติใรก็ดีขอให้ข้าพเจ้าเป็นคนดีได้พบพระพุทธศาสนาให้ครบคนดีให้เป็นคนดออีอย่าได้หลงทางขอให้ข้าพเจ้าได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลในที่สุดเป็นพระอริยะบุคคล ไม่ขอมาเวียนไหวตายเกิดในวัฏฏะสงสารให้ถึงแดนพระนิพพานโดยเร็วด้วยเถิดให้เราตัง้งข้อตั้งความปรารถนาอย่างนั้นในใจของเรานะ เ, เราไม่ต้องปรารถนาอย่างอื่นหรอกไม่ตัง้งไม่ต้องปรารถนาว่าขอให้ร่ลรวยให้สวยให้งามให้มีความสุขให้มีลูกสามีภรรยาว่าง่ายสอนง่ายนั้นเป็นปรารถนาในวัฏฏะสงสาร วัฏฏะสงสารคือเวียนไหวตายเกิดมันไม่ไม่มีเทศสิ้นสุดนะถ้าว่าเกิดมาพบนิชตินี่ใช่สมความมุ่งมาตนปรารถนาลูกหลานอยู่ในโอวาททั้งหมดนะบางบางทีบางคนขึ้นมา เ, เขามาอิจฉากับอิจฉาดูดาดูเดือดให้เขาเบางทีไปฆ่าไปแกงเขาอีกไปทำความชั่วเขาไปอีกโต๊กนรกหมกใหมออ่อีกกว่าจะฟื้นขึ้นมาได้ลูกหลานของเราไปไหนหมดผลที่สุดตัวเอง เวียนว่ายตายเกิดเพราะนั้นไม่มีที่สิ้นสุดลุ่มลุ่มรอนรอนสูงสูงต่ำต่ำเกิดมาในโลกวัตฏสงสารนี้เพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านว่าให้เข้าแดนพระนิพพานซะเลิศประเสริฐที่สุดนะอย่ามาเวียนว่ายตายเกิดอย่ามาสร้างกรรมกรรมกันเลกรรมคือกรรมดีกับกรรมชั่วมาเป็นของคู่กันพรากรรมดีขึ้นมาก็มีคูลแข็งขึ้นมากรรมชั่วขึ้นมากไปตะลุมบอลกันอีกแล้วก็ตกต่าไปอีก ก็จะฟื้นตัวขึ้นมาได้เพราะนั้นพวกเราได้เกิดมาได้พบธรรมคาสอนของพุทธาแล้วให้ประกอบคุณงามความดีให้สังสมบุญคุศลให้มีทานให้มีศีลให้มีภาวนาแต่ให้มีภาวนานะะั่นล่ะเป็นหลักการทำทานก็ใช่เป็นเปลือกการรักษาศีลก็ใช่เป็นกะพีการตั้งจิตภาวนานั่นละ่ะสร้างแก่นแก่นคือจิตใจคือสร้างภาวนาเข้าสู่จิตใจนั่นละ่ะ สร้างแก่นออคือสร้างหลักเหตุผลในจิตใจของเราสิ่งไหนที่มันไม่ดีข้าพเจ้าจะไม่คิดข้าพเจ้าจะไม่ทำข้าพเจ้าจะไม่พูดน่แหละแก่นแก่นก็อยู่ที่ใจเพรา ะ, ะนั้นขอให้พวกเรา ท, ท, ท, ทุกท่านนะนรัตถาญาิโยม เ, ออเกิดมาพวกเรามีที่มาที่ไปทั้งหมดนะมันไม่ใช่ว่าเกิดมาโพโลกพเลมาชาตินี้ชาติเดียวเป็นอย่างนี้ไม่ใช่นะออมันมีอดีตชาติ คนที่รวยมาเขากเคยสร้างบุญทำบุญกับพระปฏิเจกพุทธเจ้าพระหรัตสาวกเขาทุ่มเทมาสร้างบุญสร้างกุศลมามากแต่เมื่อมาพบในชาตินี้เขาลุ่มหลงมัวเมาหลงในตัวเอง เ, อเกิดพบนาชาหดาเขาก็ต้องตกต่ำลงไปอีก เ, อเพราะเหตุไรเพราะเขาทำกรรมชั่วนะเพราะเขาหลงหลงในตัวเองหลงลืมตัวเองนี่แหละท้าวาใครก็ตาม พวกเราท่านทั้งหลายเอาเถอะเราเกิดมาเป็นคนจนแต่เราพยายามสร้างคุณงามความดีสังสมบุญกุศลเข้าเอาไวา้พอออกจากชาตินี้เราก็ไปสู่สุขคติไปสู่สวรรค์เราก็ไปเกิดในที่ร ว, วยเลยเถอะเนียรวยเลย เ, เราไม่ต้องอันนี้สงของเรามีเราไปเกิดในที่รวยเกิดมาก็รวยเลยเอพอรวยขึ้นมาลายหยาหลงเลยเถอะเ่ยท่านหลงอละตกตามเอกนะเพราะอะไรเพราะว่าใจของเราเนี่ย มันหลงได้ง่ายเหมือนกันนะสิ่งไหนที่มันเร็วๆหนะ่ยโดยมากใจของเรามันชอบชอบไปทางต่ำเราคิดดูกันแล้วกันนะแต่หลวงพ่อพูดให้ฟังทั้งนี้ทั้งนั้นนะโดยมากใจของเราไม่มชอบไปทางต่ำชอบช่างสนุกสนานเผิดเพ่นเห้เาเทหาปารตี้ชอบเที่ยวชอบเล่นชอบร้องลําทำเพลงอชอบไปทางนั่นแหละช่างต่ำ ที่จะไหวพระนั่งภาวนาทําจิตใจให้สงบเหมือนจูหมาใสฝนเลยมันไม่ชอบเลยแต่ถึงไม่ชอบก็เถอะอันนี้คือหลักบุญหลักกุศล เ, เราต้องหาเหตุผลมาหักล้างจากนั้นเราก็พยายามประกอบคุณงามความดีเอ้ยอันนมันเป็นทางต่ํานะเว้ยใจนะอันนี้คือทางสูงถึงจะไม่ชอบก็เถอะนะอันนี้คือเป็นบุญกุศลเป็นเครื่องฝึกฝนทางด้านจิตใจเราควรจะเดินทางนี้นะ ทางนั้นก็ไม่ว่ากันเดินไปบ้างแต่ย่าให้ถลําจนเกินไปเนี่ยนะถ้าเราไม่สอนเรานะ่ะจะมีไม่ใครสอนเรานะถ้าเราสอนเรานั่นแหละให้ตัวเองสอนตนเองนะนะั่นแหละถ้าจะโกรธก็โกรธให้ตนเองถ้าคนอื่นมาสอนในโมโหชุดในใจเนะ่ะแต่หลวงพ่อพูดวันนี้คือเหมือนกันนะนะั่นแหละบางคำหลวงพ่อเราก่อนได้ยินแล้วก็สะเทือนใจก็ชนอยู่ในใจเองเหมือนกัน หลวงพ่อยินพูดอะไรเอาอะไรมาพูดจะว่าอย่างนั้นเองนะแต่หลวงพ่อพูดด้วยหลักเหตุผลนะลูกหลานนะเอาเหตุผลมาพูดให้ลูกหลานได้ฟังได้ศึกษานะศึกษาดูซิยิงไหมที่หลวงพ่อพูดให้ฟังเนี่ยแต่ไปอ่านในพระไตรปิฎกก็ยังได้นะหลวงพ่อนำํำทำคําสอนของพุท ธ, ธนะมาบอกมากล่าวให้คณะสัตยาญาณจมได้ยินได้ฟังแต่ละวิทแต่ละวันนะเพื่อให้พวกเราได้ประดับสติปัญญา เปิดหูเปิดตาให้มองกว้างน ะ, ะไม่ให้มองแคบให้มองกว้างให้มองหลักเหตมุมองหลักเหตุหลักผลมองดีตในอดีตไม่ใช่อดีตธรรมดาอดีดตแต่ชาติอีกต่างหากแล้วเมื่ออดีดอตแต่ชาติดีปัจจุบันก็ดีถ้าทําปัจจุบันทําดีอนาคตก็ต้องดีถ้าทําปัจจุบัน เ, เร็วๆเล้วอนาคตก็ต้องเร็วอีกเหมือนกันนะลูกหลานน ะ, ะถ้าไม่เชื่อทดลองเลยปรับปรับขึ้นมาก็โดน เอามีไปยำหัวกันเข้าทีในศาลาลังเนี่ยเตะต่อยเข้าไปเตะก้านคอเขาก็จับทันทีนจับมาแล้วมายัางแล้วเอาไปขังคุกอีกต่างหากเนี่ยความชั่วมทําขึ้นมาแล้วก็เห็นทันตาเลยล่ะถ้าทําความดีลเลยมีแต่ความยิ้มแ ย, ย้มแจ่มใสเอื้อเฟื้ออื้ออารีต่อการมีเมตตาตกันมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขนะคณะทะท า, ยยาจารย์โยมลูกหลานอันนี้เลยคือหลักเหตุผล คือกรรมคือการกระทำทำดีแล้วจะชั่วได้ยังไงทำชั่วแล้วจะดีได้อย่างไรมันมีที่มาที่ไปอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวตอนนี้ไปพระสงฆ์จะนุโมทนาให้พรรับพรนเจนิญ น, น, นะ